เกือ30ปีแนละ้วมีคนใจดีหลายคนที่เราได้ยินชื่อนว่าเขาบริจาคเงินเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสาธารกุศลอย่างยูเกก็รวยมากแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่บริจาคเงินมากมายเพื่อสาธนณประโยชน์แต่ว่านายชักฟินเน่มมเนี่ยนนะทเงียบๆเขาเรียกอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ปิดทองหลังคาปิดทองใต้ฐานพระทำมา30ปีเงินที่บริจาคก็มาหาศาลมาก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 กินน้อยใช้น้อยแต่ว่ามีความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ว่ากินน้อยใช้น้อยแล้วก็เลยทาน้อยพอทำน้อยแล้วก็เวลาว่างที่เหลือก็นั่งเล่นนอนเล่นอันนั้นไม่ใช่สันโดษใพุทธศาสนาะเพราะว่ า, าขาดความเพียรความเพียรนี่หมายถึงว่าอาจจะมาถึงการขยันทํามาหาเงินก็ได้หรือทามาหากินแต่ว่าไม่ได้อาเงินนั้นเนี่ยไปผลเปิดตัวเองแต่ไปชดละส่วนรวงหรือขยันไปเป็นจิตอาสา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 ได้แต่มองแกจนรับสายตาไปผ่านไปสองสามอาทิตย์ได้นะผู้ชายนี้นะก็ทําเหมือนเดิมวันหนึ่งมาถึงก็ฟักเงินยี่สิบาทให้แล้วก็จิตถนนแล้วก็จะเดินหันหลังให้นะไม่เอาเงินพรบอกว่าคุณยายค้าหมู่เรียกว่าขนมนะชายหนุ่มเมื่อวันคุณยายไม่ต้องเกรงใจนะผมอยากช่วยยายเห็นยายลาบากยาย ก, ก็ตอบว่าเปล่าหรอกยายแค่อยากจะบอกว่า